อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอนํารายการธรมรมาราบรุนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ ะ, ะทุกๆเช้าตั้งแต่เปิดสถานีในเวลาตีห้าตรงถึงตีห้าครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เริ่มรายการของสถานีด้วยรายการธรมรมาราบรุนเป็นประจำนะคะ พบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2555ค่ะเป็นสาวสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะค ะ, ะวันนี้เป็นวันขึ้นสี่ข้าเดือนสี่ปีมะโรงค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการประจำคงจะจํำกันได้ละค่ะว่าทุกเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มาเป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะจะได้มาสนทนาธรรมะหรือที่เรียกภาษาบาลีเราว่าสากาักฉา สักถามท่านพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุโนค่ะซึ่งท่านก็เป็นท่านอาจารย์ผู้อนวยการบริเล้นปฏิบัติธรรมณนะวัดป่าดอนหายโศกตามาพุทธวจนะนะคะซึ่งก็สำหรับวัดป่าดอนหายโศกนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหน อ, องหานจังหวัดอุดรธานีค่ะ โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อด็ออรสะอาดทิโทภาโซหรือท่านพระครูสิทธิ์ทิปภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะพบกันในเช้าวันาสาวอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นั้นเนี่ยก็คิดว่าเป็นช่วงที่ใกล้ที่จะปิดเทอมเต็มทีแล้วนะคะน้องๆดเด็กๆทั้งหลายก็คงจะใกล้ปิดเทอมละดังนั้นก็เลยคิดว่าอยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้มารับฟังพระอาจารย์ไพบูุญอภิปุโน ท่านได้พูดคุยสากฉ า, าเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติบูชากันดีกว่านะคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังจะได้นำไปปรับใช้แล้วก็ลองปฏิบัติบูชาซึ่งถือเป็นการบูชาที่สูงสุดที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้สรรเสริญไว้นะคะขออนันท่านผู้ฟังมากราบนำ้ำระสการพระอาจารย์ภัยบุญอภิปูโนโพร้อมกันเลยนะคะกราบนำ้ำระสการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเจ้าบานสาธุเจ้าค่ะก็ขออนุญาตที่จะนำเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติบูชา ซึ่ง อ, อย่างที่เมื่อสักครู่ที่โยมเก่นนะเจ้าคะ่ะก็คือฟังมาจากพระจารย์นี่แหละเจ้าค่ะว่าเป็นการปฏิบัติหรือว่าเป็นการบูชาที่สูงสุดเจ้าคะ่ะตอนนี้ก่อนอื่นโยมอยากจะขอเท่าความนิดนึงว่าในการบูชาองค์พระสะมัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยได้แบ่งการบูชาออกเป็นอะไรบ้างเจ<อ>้าค่ะลองทบทวนกันนิดนึงเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะก็จะมีสองระบบนะการบูชาไม่ว่าจะแบบไหนก็แล้วแต่จะมีสองระบบ ระบบแรกก็คือระบบที่ใช้สิ่งของในการช่วยเหลือนะั่นคือเรียกว่าอามิสบูชาอามิสก็หมายความว่าของที่ที่ต้องใช้สิ่งของ <Okay. S 2> นะเห็นได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายพวกนี้อย่างเช่นเราพูดถึงดอกไม้เราพูดถึงบางคนใช้น้ําบูชาบางคนถวายการด้วยเงินและทองนะบางคนบอกว่าทำํำประดับตอกไม้อย่างดีเลยทําสิ่งของอย่างนี้อย่างงดงามเนี่ยมาถวายอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นการบูชานะการบูชาเหล่านี้เรียกว่าเป็นระบบที่เป็นอามิส นะระบบก็คือว่าใช้สิ่งของในการบูชาอีบูชาอีกระบบหนึ่งก็คือระบบที่เป็นนิรามิศบูชานิรามิศก็คือการบูชาที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งช่วย <โ translate. S 2> นะิรามิศคือว่าเครื่องลอ่อเครื่องแปดเปื้อนพวกนี้เพราะฉะนั้นอามิศบูชาก็คือการบูชาที่ต้องอาศัยเครื่องช่วยน่ะนิรามิศบูชาคือบูชาที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งช่วยเหลือนะคือเราทําของเราเองนั่นก็คือว่าการปฏิบัติบูชาสมมุตนะิว่าเราบอกว่าเราบูชาแม่เราอย่างเงี้ย คุณจะไปซื้อปลาท่องโกะให้แม่กินบางครั้ ก, ก็ให้แม่กินพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศพวกนี้แค่เป็นอามิสบูชาทั้งศีลแต่ถ้าเราจะเป็นนิรามิสบูชาซึ่งเหนือกว่าเนี่ยก็คือว่าอาย่างคุณทําความดีบูชาแม่ใช่ไหม ค, คุณให้แม่จากที่ไม่มีศีลให้มีศีลสอนแม่จากที่ไม่มีสมาธิให้มีสมาธิให้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญาอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นนิรามิสบูชาชแล้วก็อย่างสุดถ้าแม่เรามีความอดทนมีความขยันกันแข็ง แล้วคุณจะบูชาแม่เนี่ยคุณทําข้อ น, นี้ของท่า น, นให้คุณมีความอดทนให้คุณมีความกยันกันแข่งเนี่ยโอ้นี้เป็นการบูชาที่ดีมากเจ้าค่ะนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆเจ้าค่ะหรือถ้าหากว่าเราจะบูชาคุณพ่อคุณแม่เรานี่เราสามารถที่จะเหมือนกับทําตัวเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือใช่หรือว่าช่วยงานบ้านเหล่านี้ก็เป็นการบูชาพ่ อ, อแม่เราเหมือนกันถูกไหมเจ้าค่ะคืออย่างหน้าที่ของลูกอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะถ้าบอกว่าเราตั้งอยู่ในความดีนะเราปฏิบัติดํารงวงศกุล เราก็ทํากิจการงานของท่านท่านใช้เราเราก็ทั้งเรียนเราเราก็เลี้ยงท่านตอบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราก็เป็นผู้ที่รักษาแบบปฏิบัติตนเป็นทายาตรักษาบัลลปุกเงี้ยก็จะชื่อว่าเป็นผู้ที่ตอบแทนบุญคุณหละ่ะเจ้าค่ะแตนี้มรดกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งของไงเจ้าค่ะแต่เราพูดถึงบัดกที่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่านั้นอย่างพุทธเจ้าอย่างเงี้ยไม่มีทรัพย์สมบัติที่ใครไว้ให้เรานะอือเจ้าค่ะมีแต่เจดียเเเกก่่่่่าอออยูนนีีซซึึงงง็ไไมรร้้้้คสวหืัจะะ แล้วไหนทรัพย์สมบัติที่ผู้เช่าทิ้งไว้ใช่ไหมซึ่งพู้เช่าทิ้งสิ่งที่เป็นนิรามิตรเนี่ยเจเช่นอยู่เวลาเรานั่งสมาธิไปจิตสงบทํำยังไงอย่างเงี้ยโอ้ความรู้นี่มันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เป็นเข้าเป็นของเยอะเจ้าค่ะเปนเ็นอย่างมาดาบิดาของเราอย่างเงี้ยท่านทิ้งอะไรไว้ให้และบางคนเห็นว่าพ่อแม่นี่โอ้โหไม่ได้มีความรู้ความเรียนในสูงใช่ไหมเจ้าะแต่ท่านเป็นคนขยันท่านเป็นคนอดทนท่านเป็นคนไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก พวกนี้เป็นมรดกที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเราจะต้องเอามาใส่ ใ, ใจขใจองเราอย่างเงี้ยชื่อว่าเราก็เป็นผู้รับมรดกมาอันนี้ดีมากๆถ้าเราทําได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นในในช่วงที่อย่างที่คุณสนใจว่าในช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยท่านผู้ปกครองหรือว่านักเรียนหลายๆคนที่กำลังจะเข้าเข้าสู่ช่วงปิดเทอมบางคนอาจจะ ก, กำลังสอบอยู่หรือว่าใกล้สอบเสร็จแล้วเนี่ย อ, อยากจะคิดว่าเอ๊ะปิดเทอมมิชชันจะทำอะไระะซึ่งก็มาปฏิปทาทำก็ดีเหมือนกันเป็นทางเลือกทางหนึ่งแทนที่จะไป ต่างประเทศเที่ยวอิลเล็เคะคักใช่ไหมมันก็เหมือนเหมือนกันน่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนแต่ว่าในใจคุณน่ะคุณเคยไปท่องเที่ยวดูไหมในใจเรามีอะไรบ้างในใจเรามีสูงต่ําดํำตี้อะอะไรตรงไหนเราไม่เคยไปสำรวจดูเงี้ยมันจะเสียโอกาสเจ้าค่ะก็ตอนนี้ก็มีการส่งเสริมหรือว่าทางรัฐบาลเองก็มีการส่งเสริมให้ ทางกลุ่มการศาสนานะเจ้าคะมีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนบ้างหรือว่าแม้แต่ทางวัดป่าดอนหายโศกเองก็ยมทราบว่าจะมีการจัดการอบรมนะเจ้าคะหลืกเรื่นปฏิบัตินี่มากเป็นพิเศษเลยในเดือนช่วงที่จะปิดเทอมนี้ใช่ไหมเจ้าคะก็เพราะว่าเราได้รับแต่งตั้งให้เป็นอะเาเรียกว่าอะไรสานักปฏิปธรรมประจำจังหวัดแห่งที่5ของอุดรธานีเจ้าคะ เมื่อเป็นอย่างนันก็คือเราก็ปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วลเพราะฉะนั้นในช่วงปิดเทอมก็เลยได้เขาเรียกว่ารวบรวมหลักสูตรสมมติของเดือนจริงๆเรามีทุกเดือนใช่ไหมเดือนมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยเรารวบมาให้อัดอยู่ด้วยกันเพื่อให้มันอยู่ในช่วงปิดเทมอมของเดือนมีนาเนี่ยเราก็เลื่อนให้ไปจัดปลายเดือนมีนาซะมันจะได้เข้าในช่วงปิดเทอมของเดือนเมษาก็อยู่กลางเดือนซะของเดือนพฤษภาก็ดึงขึ้นมา ให้มัน ม, นมาคาบเกี่ยวเดินเมษ า, ม เ, าเพื่อจะไดะ้มีสามรอบให้มาเลือกลีกเรนได้ในช่วงปิดเทอมนี้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนี้ยมขออนุโมทนาบุญนะเจ้าค่ะแล้วก็การสนทนาวันนี้ก็คงจะมุ่งไปที่เรื่องของการปฏิบัติบูชาอย่างที่ดิฉันได้เกิื่นให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าบรรดาคุณพ่อคุณแม่ และน้องๆเยาวชนเองที่ตื่นมารับฟังรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันนี้ก็คงจะได้ลองตัดสินใจดูนะคะอย่างที่พระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนพระอาจารย์ของเราก็ได้เรียนถามแล้วว่าน้องๆปิดเทอมมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะพาไปท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศในประเทศอะไรต่างๆทำต่างๆมามากมายแล้วล่ะ แต่เคยเข้าไปท่องเที่ยวในจิตใจเราบ้างไหม<ช>คือหาความสงบในจิตใจบ้างไหมนะคะ<ช>ดังนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนให้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมก็ขอนิมนต์พระอาจารย์ไพบุนรอภิปุโ น, โนได้เมตตาสักฉาเลยเจ้าค่ะว่า ในการปฏิบัติบูชานั้นเนี่ยเข้ามีการปฏิบัติกันอย่างไรและถ้าน้องๆมาเข้าหลักสูตรที่วัดป่าดอนไหโศกนั้นเนี่ยน้องๆจะได้ต้องปฏิบัติตนอย่างไรและจะได้รับอะไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะเรื่องของการปฏิบัติบูชาอย่างที่คุณตือนใจพูดเมื่อสักครู่ว่าถ้าเรามาดูจิตมารู้ว่าเอ๊ะมีจิตในจิตของเรามีที่ท่องเที่ยวไปในอะไรยังไงบ้างนี่นะเจ้าค่ะเป็นประเด็นที่ดีคือสมมติเรามาดูที่ท่องเที่ยวในโลกนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งได้แค่ไปเป็น ภูเขาทะเลหรือไม่ก็ป่าน้ำตกเนี่ยนะครับเขาประมาณนี้เท่านั้นเองมันก็จะไม่มีที่ไหนไปอยู่มากกว่า4ีหแบบนี้แต่ในเที่ยวในจิตของเราเนี่ยมีที่ให้ไปมากกว่าอีกโดยเฉพาะพูดถึงที่เที่ยวในจิตของเราเนี่ยนะมีอยู่4สถานที่คือกายเวทนาจิตธรรมอันนี้ในยะที่หนึ่งอย่างพูดถึงเรื่องของขันทั้ง5้าในกายเรามีหขันอย่างเงี้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ในตัวเราหนีมีช่องทางออกทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเงี้ยมี6ช่องมี5้าอย่างรวมกันหมดนี่โอ้โหเป็นหลายร้อยร้อยแปดน ะ, ะมีที่เที่ยวที่เราพอจะไปได้นะัเป็นร้อยๆที่บางทีเราอาการภาวนานั่งสมาธิบางทีเกิดความรู้สึกอย่างนี้บางทีไม่มีเรามาลองลองดูเราก็จะแหมมันเป็นป ร, ประโยชน์ของตัวเองนะเจ้าค่ะแล้วก็ในการภาวนานี้มันไม่ได้ยากเย็นอะไรคือบางคนคิดว่าการจะทํางานอะไรเนี่ยมันจะต้อง เดินเหินขึ้นลงนะมีผลออกมาเป็นลนักษณะที่จับต้องได้เป็นตัวเลขบ้างนะเป็นความเหนื่อยหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะถึงจะเรียกว่าตัวเองได้ทําอะไรนะแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเป็นการปฏิบัติทางจิตจปฏิบัติเข้าไปในจิตในยีรีบทข้างนอกจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทำให้บางคนคิดว่าโอ้ยคนปฏิบัติธรรมะนั่งเฉยเยไม่จะได้ประโยชนอะไรไหมแต่จิตของเขาเนี่ยโอ้พิจารณาปั๊บปๆ๊บปอยู่เนี่ย บางคนนั่งสมาธิเฉยๆอ้าทำไมเหงื่อแตกเพราะว่าเข า, เขาพิจารณาไปด้วยหรือว่าบางทีเขาพยายามเกิดวิจารณาขึ้นจะพยายามที่ฉันละเวทนาขึ้นมาอย่าเงี้ยมันเป็นอาการได้หลายอย่างซึ่งเราควรจะมาทําความรู้จากตัวเองที่นี่น ะ, ค, ะคือต้องพูดถึงโทษก่อนโทษของคนที่ไม่รู้จักตัวเองในเรื่องของจิตจะเป็นยังไงคนที่แบบว่าเไม่รู้ว่าจิตตัวเองเป็นยังไงขึ้นลงยังไงควบคุมไม่ได้ยังไงเนี่ย มันมันจะออกฤทธิ์มาตรงจังหวะที่เวลาเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจคุณแจใจใชเช่นว่ า, เ, าเงินหายลูกตายคนใกล้ชิดไม่อยู่ป่วยเป็นโรคที่ชนิดบ้านรักษายากนะหรือว่าเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจอสอบไม่ผ่านาหรือว่าเพื่อนทิง้งเจ้าะพ่อแม่แม่รักทีฟุตบอลที่เชีย้แพ้พวกเนี้ยมันจะเกิดความที่ไม่น่าพอใจแล้วมันจะเริ่มออกอาการอืจา ค, คนที่ไม่รู้ว่าจิตตัวเองเป็นยังไงขึ้นลงซ้ายขวา ย, ยังไงเขาจะเริ่ม่ะ กระฟัดกระฟิตกระตั้งกระดึง๋งแสดงความกรธความขัดเคกงความไม่พอใจให้ปรากฏแต่ตัวเองก็จะร้อนร้อนอยู่ในใจด้วยนะจุกค่ะร้อนอยู่ในใจมันก็ออมานอกกายน้ำปากก็ขยับแบบว่าอาไม่ไม่ดีออกมาพ่นของเหมน็นๆออกมาคือพูดจาไม่ดีนะคะใช่ใช่จค่ะแล้วก็บางทีไปทําผิดศีลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรอย่างนี้อีกอยที่เราเห็นที่เ้าตีกันอะไรอย่างเงี้ยนะยค่ะก็เป็นเพราะว่าเรื่องพวกนี้ตัวเองไม่ไม่มีกําลังจิตไม่มีกําลังจิตไม่ใช่ว่าคุณเนี่ย เป็นคนมีกําลังนะไปตีเขาน่ะแต่ว่าถ้าคุณไม่รู้จักอดทนเนี่ยแสดงว่าจิตคุณไม่มีกําลังแลเป็นคนอ่อนแอไม่มีกําลังในการที่จะหักค่าห้ใจตัวเองไม่มีกําลังที่จะบังคับใจตัวเองนะเป็นผู้ที่ไปตามอํานาจของจิตเนยจิตไม่ได้ตกอยู่ในอํานาจของเรานะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันก็ถูกดึงไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้คุณไม่รู้จักจิตตัวเองใช่ไหมจิตคุณจึงถูกดึงถูลูถูกกลงไปเดี๋ยวคนเขาบอกว่าดีนะเธอ เราก็ไปตามเขาแต่ก็บอกดีแล้เธอแล้วก็ไปตามเขาอีกแล้วก็บอกไปอุ้มนี้สิเธอแล้วก็ไปตามเขาอีกกระแสนี้มันมันเป็นไปได้เรื่อยๆนะจิตของเราถ้าไม่มีกําลังไม่รู้จักจิตตัวเองเนี่ยถูกดึงไปเละเทหมดเลยแล้วยิ่งในช่วงบิดเทางคุ่ใจายใจว่างๆนี่ใช่ไหมในัวเรียนเลยผู้ปกครองเอ่ยอย่างเงี้ยเรแลร้ว<ล>คุณอ่มันจะมีอยูรา ว, ว่างเยอะเด็ก่ะเรายิ่งคุณจะต้องหาอะไรให้เขาทําถ้าไม่งั้นเขาก็จะจะจะไหลไปตามอย่างเงี้ยบางคน ก่อนปิดเทอมด้วยซ้อยู่กับเกมกดตลาดเวลาอืแทนที่ว่าวันหนึ่งช่วงเรียนหนังสือช่วงเปิดเทอมเงี้ยอาจจะเล่นเกมมาละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างมากชั่วโมงหนึ่งปิดเทอมมันเล่นมาละหกชั่วโมงน ค, คนคนจะต้องคอยอพิจารณาดูเรื่องนี้ด้วยแล้วคนโทษอีกอย่างหนึ่งนะของการที่ที่เราไม่รู้จักจิตตัวเองเนี่ยนะนอกจากจะถูกลากถูกลูกถูกรังไปแล้วโดนอะไรที่มากระทบแล้วก็เครียดอย่างนี้โทษอีกอย่างหนึ่งเนี่ย คือว่าเราเป็นการสร้างสิ่งที่เป็นบาปนะเป็นเป็ น, ปนบาปให้ชีวิตของเราเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ประมาทมัวเมาอืาคือตอนที่เราแก่ไปในอนาคตอย่างเงี้ยหรือว่าเวลายังไม่ต้องแก่ก็ได้บางคนป่วยตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ย ค, คือพัสดุที่ไม่น่าพอใจเนี่นะมันไม่ได้มาเลือกเวลาที่จะเกิดนะคือไม่ใช่ว่ารอคุณแก่ก่อนคุณถึงจะเจ็บคุณยังหนุ่มๆยังอายุน้อยๆคุณก็เจ็บได้อืาบางคนก็เจอเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่เล็กๆอย่างเงี้ย ช็อกเลยขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำยังไงบางคนพ่อแม่เสียไปตั้งแต่เล็กๆอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงซึ่งตรงนี้ผลที่เกิดขึ้นจากที่เขาไม่ไม่รู้จักที่จะควบคุมจิตตัวเองไม่รู้จักที่จะออกกําลังกายตรงนี้เนี่ยนะก็คือเขาเป็นการสร้างแบบให้ตัวเองนะสร้างแบบตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าอัดนุสัยวิชานุสัยสร้างความเคยชินในชนิดที่เรียกว่าไม่สนใจไม่รู้เรื่องไม่แยแสไม่ ไม่อะไรทั้งสิ้นเจ้าค่ะอเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็นการสร้างบาปให้ตัวเองอืมคือการตอกย้ําความเคยชินที่ไม่ดีเจ้าค่ะคุณคุณจะนึกว่าอย่างสมุดสันดาลอย่างเงี้ยนะนิสัยสันดาลคุณทําทุกวันทุกวันมันก็ติดเป็นนิสัยใช่ไหมเจ้าค่ะทำไปเรื่อยๆทาเรื่อยคุณไปติดเป็นสันดาลเจ้าค่ะไอ้อสวะเนี่ยคือเครื่องนองเนื่องแล้วก็เรียกว่าอสวะคือเครื่องนองเนื่องเนี่ยมันก็จะทับถมทับถมในจิตเป็นความเคยชินที่เรียกว่ายิ่งกว่าสันดาลอีกเอิมเจ้าค่ะนี่เป็นบานนะะะขุดไม่ออกเลยค ขุดออกนี่ต้องใช้มีดที่คมมา ก, <c oughs> กนั่นคือปัญญาในการเชาะมันออกเจ้าค่ะเจ้ค่ะพอเรามีฝึกฝึกจิตใช่ไหมมีปัญญาเนี่ยเราก็ช่วยขุดขูดขูดไอ้นิสัยที่มันชั่วๆเหล่านี้ออกไปเนีซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญเนีสมมุติว่าเราทํางานมาทั้งปีอย่างเงี้ยอย่างคนคที่อาจจะไม่ได้เป็นคนเรียนหนังสือนะคุณทํางานมาทั้งปีแหมปีหนึ่งฉันจะขอหยุดบ้างเบรกบ้างไปพักบ้างใช่ไหมเจ้าค่ะเพื่อที่จะกเรี่ยวชาร์จแบตเตอรี่อย่างเงี้ย เช่นเดียวกันตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้เพราะว่าบงทีแบตเตอรี่มันหมดเราก็มาหาความสุขในใจเป็นการที่จะเติมพลังให้ตัวเองได้ อ, อันนี้ก็จะทำให้จิตของน้องๆหรือว่าแม้แต่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านที่ถ้าหากว่าตัดสินใจว่าลองไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ลองสำรวจจิตใจของเราโดยยึดหลักของ ตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทำให้เราเนียมีพลังจิต ด, ดีขึ้นมีกำลังแรงใจที่แข็งแรงที่จะไม่เรียกว่าตกต่ำไปไปตามสิ่งที่มารบกวนเราหรือมาล่อลวงเรานะจ้าคะที น, นี้โยมขออนุ ญ, ญาตกลับเรียนถามเจ้าค่ะว่าสำหรับเรื่องของการไปปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเจ้าค่ะหลายคนหรือว่าหลายท่านอาจจะคิดว่า hmm, ไม่มีเวลาเลยนะเจ้าค่ะ <c oughs> <ๆ>แล้วก็ปิดเทอมนี้ก็ ผัดผัดผ่อนไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยยมอยากจะขอให้พระอาจารย์เมตตาได้ให้สติทักนิดนึงเจ้าค่ะว่าการไปปฏิบัติธรรม น, น, นั้นเนี่ยมันมันไม่ได้ยากเย็นหรือว่ามันไม่ได้ว่าจะต้องมาสูญเสียเวลาต่างๆมากมายแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้นั้นเนี่ยมีคุณค่าเหลือเกินเจ้าค่ะที่หมดเจ้าค่ะเราูดถึงบางคนอาจจะจเห็นว่าอุ้ยฉันไปต้องไปเที่ยวดีกว่าเจ้าค่ะไม่ว่าไปเที่ยวอยู่อย่างแล้วก็เลยไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมคือตัวอาจารย์เองเป็นอย่างนั้นมาก่อนอเจคเมื่อก่อนเราก็จะมีความคิดว่า ให้ฉันไปเที่ยวต่างประเทศดีกว่าแทนที่จะเอาเวลาเจ็ดวันสิบวันเนี่ยมานั่งปฏิบัติใช่ไหมไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดสบายใจเเราเห็นโทษตรงนี้ตรงที่ว่าอย่างสมมติเวลารเราไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้แน่ๆแล้วเราเสียเงินเงินของเราเสียไปละ เ, เสียเงินแล้วนี่ก็ประการหนึ่งก็หวังว่าคงจะได้ความสุขให้แปลกไม่แปลกตาเลยมีความสุขตอบกลับมาบ้างใช่ไหมไปแล้วก็ดีล่ะไปถึงปุ๊บปรากฏว่า เฮ้ยท้องฟ้าก็สวยงามดีอะไรก็สวยงามดีเฮ้ยแต่พอมีคนทําอะไรที่ไม่เข้าท่าตัวอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่ดี่ะค่ะอย่างเช่นคุณใบทะเลอย่างเงี้ยสวยงามเลยแหมคลื่นหาดทรายสายลมแสงแดดหาทําไมมีเศษโค้แคมอยู่ตรงนี้เค่ะเศษขยะอะไรต่างๆโอ้โหมันไม่สบายใจขึ้นมาค่ะอันนีเน้เป็นโทษที่เราเห็นได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มาจากภายนอกควบคุมยากค่ ะ, ะอันนี้ประการที่หนึ่งประกันที่สองที่เสียตังค์ด้วยนะเค่ะแต่นี้อย่างเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ย เราได้ความสุขที่เกิดจากในภายในนั้นละเอียดกว่าดีกว่านะไม่สามารถที่จะทำให้หมดไปได้โดยคนอื่นนะเราปฏิบัติเราเองนะประการที่สองก็คือว่าไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรมากมายขนานั้นเจค่ะอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่คุณจะสามารถถ้าคุณจะสร้างบุญคุศลสร้างได้ด้วยการให้ทานนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอะไรอยู่แล้ว ซึ่งซึ่งสำนักปฏิบัติอะไต่างๆในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้คิดค่าราคากักเกณนอะไรที่มากมายมห า, าศาลเหมือนไปอยู่โรงแรมห้าดาวนะ่ะนแต่ว่าเป็นการการที่เรียกว่าเราสามารถเลือกได้ที่จะทําบุญสั ก, ากนา่น้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอ้ประโยชน์ตรงนี้เราจะเห็นชัดได้อย่างชาัดเจนคือถ้าคุณไม่ลองคุณจะไม่รู้แต่ ค, ค, คุณไม่เคยไปสถานที่นี้เลยเนี่ยแหมเขาเขียนโฆษณากันบูมบูมบ้ามบ้ามเต็มที่ไปหมดเนี่ยเราก็ลองไปดูก็ได้ทีนี้อย่างโฆษณาให้มาปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ย การโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นอย่างเช่นของอาดมาของคุณเตืนใจของอาชิกูราอาจารย์รูปไหนก็แล้วแต่เนี่ยบอกให้ไปปฏิบาาัติธรรมให้ไปเรือตำเนี่ยเราต้องโยนนิสโสมนัสสิการ์ ừ, โยนิสโสมนัสสิการคือการทําในใจโดยแยบคายว่าเอทําไมเขาพูดกันเราจะไปดีไหมเจ้าค่ะมันเหมือนกับอ่านโบชัวที่เขามาชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่เลยเจ้าค่ะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยโบชัว โ, โหหรูห ร, ร, รูกระดาษดี ด, ดีสีสันฉูดฉาดดึงดูดพวกเนี้ยไหนคิดเท่าไหร่โอ้โหเป็นหลายหมื่นนะไปทีหนึ่งอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอ่า ซึ่งซึ่งเขาใช้หลักการของตาหูคือเอาเครื่องล่อมาล่อคือ<ช>คอามิสใช่ไหมแต่ธรรมะเนี่ยเราจะทําอย่างนั้นมันก็จะไม่ถูกกฎไม่ถูกระบบของการที่ชวนคนให้หลีกออกจากกามนั่นะคือคุณหนีออกจากกามมาเพื่อหาความสุขในภายในใช่ไหมแต่เดนินใช้กามไปดึงเข้ามาอย่างเงี้ยก็จะไม่ถูกระบบของอของธรรมะเจค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการจะเข้าถึงสมาธิได้อย่างเงี้ยคือคือบางคนอาจจะไม่รู้จักสมาธิเลยว่าเป็นยังไงคุณเตืนใจเลย ก็แค่ว่ามาฟังฟังคนอื่นก็มาพูดนะจึงไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์กับเรายัางไงคือความจริงที่เราสมมติในักเรียนไปสอบอ่ะเ ค, ค่ะเขาจะสอบได้ไม่ได้นี่อยู่ที่สมาธิเขาแน่นอนคคแน่นอนคุณทํางานคุณประชุมอยู่เนี่ยคุณจะคิดแก้ปัญหาคิดโครงการใหม่ๆหาทางออกให้องค์กรอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องมีสมาธิแน่นอนแต่เป็นสมาธิที่บางทีมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเจ้า ค, ค่ะบางทีปุ๊บปั๊บเกิดขึ้นมาฉันคิดได้ปุ๊บปั๊บเกิม า, มาฉันคิดออกแต่เวลาเราจะควบคุมมันเนี่ย แม่มันยากเหมือนกันบางที่มีจังหวะที่เราคิดไม่ออกมีจังหวะที่เราเหงื่อแตกเวลาเห็นก็สอบมีจังหวะที่เราด่าขึ้นมาเวลาเขาพูดไม่ผูกใ จ, จเพรา ะ, ะนั้นมันมันมันเขาเรียกว่าไม่สม่ำเสมออย่างบางทีเราไปใช้รถยนต์ใช่ไหมวันนี้ไปใช้เออคือมันขับรถตีไม่เวีหนหัมีวันนึงไปใช้เออมันสตราร์ทไม่ติดละะ่ะเราเราจะใช้รถคันนั้นไม่บ่อยเราเราจะต้องหาทางซ่อมเราจต้องหาทางที่ทําให้มันดีขึ้นจิต ข, ของเราก็เหมือนกันแต่ถ้าเป็นจิตที่สั่งงานไม่ได้เป๊ะๆทุกครั้งเนี่ย คุณต้องหาทางซ่อมต้องหาทางแก้ต้องหาทางเอามันไปตรวจเครื่องอยู่บ้างนะซึ่งการไปรอย่างนั้นปฏิบัติก็ดีการไปหาเวลาสักเจ็ดวันสิบวันช่วงหนึ่งของชีวิตแหมปีหนึ่งขอเจ็ดวันก็แล้วกันสิบ ว, วันอย่างเงี้ยนะเพื่อมาตรวจสอบจิตของตัวเองดีดูเนี่ยอามาคิดว่าคุ้มค่ามากเจ้าค่ะออันนี้ไม่ได้แบบว่าเอาขอให้มาบวชหรือว่าว ค, คุณต้องโกนผมเลยนะมาอยู่ว่าทั้งสามเดือนอย่างเงี้ยจก็ไม่ได้จะถึงขนาดนั้นอ่า เพียงแต่ว่าให้ไปร่วมปฏิบัติธรรมหรือ<ช>ว่าลองปฏิบัติธรรมดู<ช>เพื่อที่จะไปสํารวจจิตของเราแล้วเท่าที่โยมทราบนะเจ้าคะสำหรับอานิสงส์ของการที่บรรดาเยาวชนก็ตามหรือท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็ตามเนี่ยพอได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะทําให้จิตใจเนี่ยมีความสุขสงบขึ้นเยอะมากเลยและที่สําคัญก็คือจะมีน้องๆหลายคนที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วเจ้าค่ะบอกกลับมาเรียนหนังสือเนี่ยเรียนหนังสือ รู้เรื่องมากกว่าเดิมเจ้าค่ะเพราะว่ามีสมาธิดีขึ้นใช่ไหมเจ้าคะใช่ทั้งการเรียนคือคือการเรียนดีขึ้นเนี่ยน ะ, ค, ะคือมันทั้งเรื่องการคิดแล้วก็เรื่องของการความจำเจ้าค่ ะ, ะการคิดอ่านอะไรต่างๆเป็นไปอย่างเป็นระบบมากขึ้นเนื่องจากว่าจิตไม่ถูกไขว้เขวไปทางนูน้นทางนี้นะแล้วก็ความจําดีขึ้นเนื่องาะว่าจิตเนี่ยเป็นสมาธิอยู่เวลาเอาอะไรมาใส่เนี่ยมันก็มันก็ได้เต็มเจ้าค่ะพระพุทธเ้าเคยเปรียบเทียบกับโอ่องใบหนึ่ง อคือคนที่เขาเขานั่งอยู่เนี่ยองคใบนนเนี้ยมีฝ <c oughs> าปิดเนี่ยเทอะไรใส่ลงมาก็ไม่หลงนะเทอะไรใส่มาก็ไม่หลงเจ้าค่ะอประเภทที่สองคือของที่เขาให้มาเนี่ยโยนมาเรานั่งอยู่ที่นั่งอยู่ที่พื้นใช่ไหมเรานั่งอยแบบนั่งคัศมารหรือ ว, ว่านั่งคุกเข่าอยู่อย่างเงี้ยเขาเทมา้เราเรารับรับเอาไว้เนี่ ย, ม, ย, ย, ยมันก็จะอยู่ที่หน้าตักเรา <c oughs> เราก็ <c oughs> รับได้ชั่วหนึ่งพอลุกขึ้นยืนปุ๊บออกหมดออืนี่คือคนประเภทที่สองแล้วคือคนประเภทที่สานี่คือกดเปิดฝาองไว้คอยรับอยู่แต่เมือจะไล่ใบอะ คนที่ปิดฝาโอค์นี่คือไม่รับอะไรเดยไม่ได้ประโยอะไรเลยค่ะแตนะ่คนที่นั่งอยู่บนนั่งเฉยๆแล้วก็เขาเทของลาบนตักเนี่ยนะก็คือได้แ ป, ป๊บนึงค่ะนะพอลุกขึ้นยืนก็เทออกหมดออกหมดแล้วประเภทที่สามก็คือเปิดฝาองค์ไว้เพราะฉะนั้นเด็กที่เขาจิตเป็นสมาธิเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับคนประเภทเปิดฝาองค่ะนะปิดเปิดฝาองค์ไว้คอยสิ่งต่างๆน้ำให้มันลงมานะซึ่งตรงนี้พอเรามีความจําดีขึ้น นะเราเรียนดีขึ้นในะชีวิตครอบครัวหรือว่าผู้ปกครอ ง, อรองต่างๆก็จะมีความมั่นใจขึ้นนะเราก็แทนที่คุณจะต้องไปเสียเงินมากมายในการไปเรียนพิเศษติวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีความจําเป็นระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเด็กเขามีเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาเครียดเกินไปนะถ้าเรามาแก้ที่สมาธิเนี่ยอผลการเรียนดีขึ้นใช่ไหมคือหมายความความจำดีขึ้นการคิดอ่านดีขึ้นนะแล้วก็ยังทําให้สุขภาพจิต ด, ดีขึ้นนะไม่เครียดด้วยอืเจ้าค่ะ เราก็ได้ทราบถึงข้อดีของการที่หากจะบรรดาน้องน้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะพานง้องไปทำกิจกรรมอะไรในช่วงปิดเทอมนี้ก็ขอเสนอว่าน่าจะไปร่วมปฏิบัติธรรม แล้วก็ศึกษาจิตใจของตัวเองจะได้มีผลดีหรือมีอ น, นิสงส์ที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตอย่างที่พระอาจารย์ภบูบุญอภิปุโนได้สักษาหรือว่าสาธิยายเล่าให้ฟังกันมาแล้วนะคะคราวนี้ก็มาถึงช่วงที่ดิฉันอยากจะข อ, อกราบนิมนต์ให้พระอาจารย์ภบูบุญอภิปุโนเจ้าค่ะได้ชี้แจงเลยนะเจ้าค่ะว่าที่เรียกกันว่าปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติที่วัดเนี่ย เ, เขาทําอะไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ โดยทั่วไปตามสำนักปฏิบัติต่างๆทั่วประเทศเนี่ยนะก็อันดับแรกเนี่ยก็จะให้รักษาศีลละคือเราต้องรักษาศีลก่อนศีลนี่คือความเป็นปกตินะความปกติของชีวิตคนเราทั่วทไปนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนทําการค้าอะไรราชการหรือบริษัทเอกชนนะพ่อแม่คนแก่คนเฒ่าอะไรคุณต้องมีความปกติแบบนี้อันดับแรกก็คือมีความตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าอยู่เป็นปกติอันดับที่2ก็คือมีความตั้งใจที่จะไม่ไม่ลักทรัพย์นะไม่บริวชีปิดในการม ไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุรามีอะไรอันนี้คือเป็นพื้นฐานเลยนะบังวัดก็จะเลื่นเป็นแปดข้อเป็นศีนแปอย่างเงี้ย น, นะอันนี้คือคุณต้องคาดหวังได้วเลยว่าตรงนี้มีแ น, น, น, น่นอนในอย่างที่สองนะซึ่งบังวัดอาจจะมีบังวัดอาจจะไม่มีนั่นคือการสวดมนตนะ์บางวัดก็อาจจะให้สวดบางไว้ก็จะให้โน้ไปในะอย่างที่สามที่จะเห็นได้ก็คืออาจจะให้มีการนั่งสมาธนะิซึ่งรูปแบบในการนั่งสมาธิในเมืองไทยนั่ก็จะมีอยู่หลายๆแบบ เราก็ใช้หลักของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันพระพุทเจ้าสอนอยังไงเราก็สอนอยังงัถึงจะเรียกว่าดีแล้วอย่างที่สามน่นก็เรื่องอาหารการกินน่นก็จะต้องมีแน่อาหารการกินนี้ก็จ ะ, จะไปหวังแบบชนิดที่ว่าบุฟเฟ่โรงแรมฮาดาวอะไรเงี้ก็จะ <c oughs> ไม่เป็นอย่างงั้น <c oughs> หรือบางวัดอาจจะจัดให้มีได้ก็ก็เป็นศาสตร์จริงที่ทําได้คือทั้งนี้ตั้งนั้นเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่วัดก็ได้อาจจะเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งที่เราจัดขึ้นมาลนะอย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าเรา ไปคิดเรื่องปากท้องมาก น, ะานคุณดยใจคิดเรื่องปากท้องความเป็นอยู่มากเนี่ยมันเหมือนจะถูกดึงไปด้วยกามหมายกามมคุณเนี่ยอย่างโรงแรมเขาทำารู้ๆสวยสวยดีๆอาหารน่ากินสีนสันสวยๆวเนี่ยเพราะเขาต้องการล่อเราล่อด้วยกามหมันคือล่อด้วยตาหูจมูกจิกาย ซึ่งธรรมะเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นไ อ, อ้เรื่องของนาหูจมูกลิ้นกายอย่างเงี้ยอาหารการกินก็ตามที่อยู่กตามเนี่ยเราก็จะจัดอย่างพอประมาณตามมีตามได้ค่ะ <c oughs> คือถ้ามันอร่อยมากเกินไปมันจะกลายเป็นดาบสองคมถ้ามันแบบแหวะเลยแบบแทบกินไม่ได้เนี่มันก็จะไม่ดีนะค <c oughs> ่ะ มันก็จะต้องควยระวังตรงนี้เหมือนกันเจ้าค่ะแต่เท่าที่ประสบการณ์ที่โยมไปที่วัดป่าดอนไหโศกมาสองครั้งแล้วนะเจ้าค่ะก็คิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนแล้วก็อาหารก็รับประทานได้อร่อยทีเดียวแล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างสงบนะเจ้าค่ะทีนี้โยมอยากจะขอความกรุณาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะวันนี้เราคุยกันอาจจะได้สักส่วนหนึ่งแล้วก็มาคุยกันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์นะเจ้าค่ะว่าเริ่ม การปฏิบัตินั้นเนี่ยน้องๆ อ, อาจจะต้องอรู้ไปก่อนแล้วก็เตรียมใจไว้ก่อนว่าสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัตินั้นเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ทางวัดป่าดอนไหโศกเรานั้นเนี่ยได้ฝึกยังไงบ้างเจ้าคะ่ะมิมนเจ้าคะ่ะเออคร่าวๆในอย่างที่พูดเมื่อสักครูน่นี้นอกจากเรื่องศีลเรื่องอาหารการกินเรื่องของการนั่งสมาธิแล้วเนี่ยเจ้าค่ะบางที่ถ้าเขาสถานที่เขาเหมาะสมเขาอาจจะจัดให้มีเรื่องของการเดินจงกรมได้ แนวะเรงการเดินจงกรมนี่ก็อันหนึ่งเราก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการฟังธรรมะจกค่ะฟังธรรมะซึ่งเป็นธรรมะบางทีก็ครูบาอาจารย์เทศบางทีก็เปิดเทศนะหรือว่าบางทีเราก็เอาพระดวัชนะมาอ่าให้ฟังแซึ่งในแต่ละที่แต่ล ะ, ละส่วนก็จะทําให้เหมือนกันนั่นแหละจกค่ะเราก็จะคงจะไม่มีนอกเหนืออะไรมากปกว่า น, นี้นี่คือเป็นเบื้องต้นเรียกพื้นฐานพื้นฐานจกค่ซึ่งในคิดว่าในพวันนี้เราจะมาเจาะในรายละเอียดว่าแต่ละอย่างมันคืออะไรทํำยังไง อย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าค่ะ ว, วันนี้ส่วนใหญ่เราก็จะพูดถึงข้อดีห ร, อหรือว่าเป็นการชักชวนว่ า, า อ, อยากจะให้บรรดาน้องๆในช่วงปิดเทอมนี้ก็ควรที่จะไปะปฏิบัติธรรมดีกว่าไปเที่ยวคืออาจจะเที่ยวมาซะจนน่าจะเบื่อแล้วออลองดูนะคะปิดเทอมเทอมนี้อยากจะขอให้ไปลองปฏิบัติธรรมกันดูไม่จําเป็นที่จะต้องไปวัดป่าดอนไห่โศกนะเจ้าค่ะไปวัดไหนก็ได้แต่อยากให้น้องๆอมีกําลังใจที่จะ ไปปฏิบัติธรรมดูเหลือเวลาอีกประมาณนิดเดียวเจ้าคะ่ะไม่ถึงหนึ่งนาทีขอความเมตตาพระอาจารย์ไปบุญอภิปุนโนได้ฝากท้ายถึงน้องๆทางบ้านหรือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเลยเจ้าคะ่ะนิมนต์เจ้าคะ่ะก็คิดว่าการที่เราจะมาดึงเห็นความสำคัญของจิตของเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญก่อนสิ่งภายนอกมันผ่านมาผ่านไปท่านเองเราอย่ลงประเดในนั้นมาก ให้มาดูในจิตของเราเราจะเป็นผู้ที่รักษาจิตของเราอยู่ได้เจ้าค่ะถ้าเรารักษาจิตยอยู่ก็จะมีความสุขในความสบายใจละ่ะเจ้าค่ะทุกที่เลยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็น่าเสียดายที่เวลาในรายการธรรมารับอรุณในเช้าวนันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเวลาหมดลงแล้วค่ะในเช้าวนัพวนพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ที่ยี่บหกกุมภาพันธ์เดฉันจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านใหม่พร้อมกับได้กราบ เรียนถามพระอาจารย์ภับุตรอภิปุโนโพระอาจารย์งองค์ป่าถกประจํารายการธรรมรับอรุณในช่วงของการสากระชาหรือสนทนาธรรมะกันนะคะว่าลงลึกไปในวิธีการปฏิบัติบูบชาหรือว่าที่เขาปฏิบัติกันนั้นในทางที่ถูกที่ควรต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างก็จนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับเช้าวันนี้เรากราบนมัสการ ขอบพระคุณและกราบน้อมสักการลาพระอาจารย์ภับุญอภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะกราบน้อมสักการและกราบขอบพระคุณเจ้า่าพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพานสาธุเจ้าค่ะ